ภาพการตั้งใจทำบุญเ้อะทำบุญทำท่านเด็ดไว้หลายหลายบุญแนวอื่นนั่นมันเอาไปนั่บไ่ได้ชักแน่วเลยนี่บุญนลยล่ะสี่เอาไปได้เช่นส่างบุญสั่งกุศลบุญนี่มันค่วมเบิกบานคววมหอมค่วมเย็น คมรู้คึกว่าค่ายพรค่ายกําบายใจนั่นแหละ <S <S นั่นมันบุญคว้มกินเกิดใจนั่นมันบุญอันกุตลนั่นมันคั่วสลาดคั่วสลาดคือคั่วหูจักคึกว่าอันใดสิเป็นจะเอาได้อะไรดิเป็นจะเอาเพได้มันหลักคว่วสลาดคนเกิดมาเนีน่ยคือข้นนั่นแหละประหูจักคึกนั่นคึกนี่ยุ แต่หาฟันบรสลาศิมาหาเอาเซนเนลอยู่ในโลกนี่แหละหาเอาจรัพยสินเงินท่องหยากกันญยาดคู่เบาลหยาดคู่สาวหยาดเงินหยาดท่องหยาดคือหยาดเสียงกัน่หญาดสี่ดินสี่หอนมันน่ะหยาดกันอยู่แต่ถ้าเลื่อนเชื่อจนตายมันน่ะเอาไปว่าอะไรจั๊กกันนั่นแหละนั่นแหละมันบรสลาศงั่นแหละคนผู้สลัดดูจักเอาเอาบุญ เอาบุญเอากุศลนง่ที่แหละบุญกุศลเป็นอย่างไรเนี่ยทำท่านให้ท่านรักษาศีลแล้วก็หักภาวนาทีางที่แหละบุญกุศลเป็นบุญเป็นกุศลให้ท่านรักษาศีลจะเริ่มภาวนาบุญมันเก็บอยู่ในใจตัวมันไปห้อมกันอยู่ในใจขันซุ่มหาควัวเอาแนวอื่นน่จนเมื่จนตายลงนะ่ะ ได้ใช้ข้อมยุงค้อมน้องไปยุ่ในใจในไปข้อมเดือดข้อมห่อนไปยุ่ในใจเด้บัณฑ์อาีจเขาเอาบุญซะเอาบุญเพื่อขาดซะเอาไฟได้กี่ดินกี่ดอนเงื่อนท่องเขาเอาไปว่าไรเขาบอให้เอาไปดอกเข้าหาเอาแนวฉีดเป็นจะเอาไปได้มีเรียว่าคนตลาดเรียว่าเป็นกุศลบางทีล่ะคนบอตลาดหลายหลายเขาข้อมมึงเยอคนเกิดมาในโลกน้าเข้านีงละ่ะ เขาอยู่ในจังหวัดเดียวกันหรือที่อำเภอเดียวกันในหมูม่บ้านเดียวกันพ่นตลาดที่น้อยเท่าเกิดมาแล้วจางพ่นจางจะติดตายนี่จากเครื่องันนาฬมดทั้งอะไรแต่ว่าเท่าหันให้เอาเห็นคือเป็นเครืองพนตลาดทั้งหลายคืดีๆเดยพ่นกับคันเบ้าขึ้นพ่นตลาดเด็กแต่มันคนนี่บุญบารมี เ, เด้มันจังมันจังคอยตลาดอันผู้เท่า หูจับพ่วมเตียวเนี่ยแปลว่ามันบุญบา ร, รมีมันหลายเติมแล้วยังค่อยมาหูจักเดีมาค่ำเดี๋ยม่งินค่วมเว่าของพระพุทธเจ้าคนบอกว่าอันนี้เดอ้อบุญอันนั้นเดอ้อบาปอันนี้บุญอันนี้กุศลนังสิอันนี้เป็นตาเอาอันนั้นบอเป็นตาเอาเนี่ยคนสอนให้เข้าตลาดคือว่าเข้ามีบุญบา ร, รมีเขาจังได้มาพร้าวพุทราดแล้วเขาก็เจี๊สบปีาดตื้มขึ้นอห่านี้โอกาสจังที่แล้วมันนอ้อย ม, มันโมเมนหลายดอก ผมมีโอกาสหลายอันเทามีเวลาทำได้แบบเฝ้าเห็ุเอาเรือบุญผู้สนการทำท่านเนี่ยผมมันวัดแต่มาเอามาถวายเอามาท่านกับวัดสับว่ากักผู้บาอาจารย์หรอกท่านผู้อื่นก็ได้อยู่ท่านสักพรจัดเป็นมันเดือดมึนห้อนเอาเข่าให้หมากินปันนึงจะดีนะแต่เป็นบุญผู้ได้ครุภูได้ยากคอยเขากับเป็นบุญ ซอยเงินซอยทองซอยแหน่หําำซอยเบาซอยผ้ามันไปบุ่นไปที่ถ้าให้มันบ่เดือดบ่อหอนถ้าให้มันบ่อหยาดผีมันเป็นบุญแค่นั้นแหละซอยเขาเป็นบุญมด้งท่านใจของเฮาให้มันเป็นบุญจังท่านแต่ท่านแต่หลายอย่างเด้ท่านเข่าปลาอาหารท่านผาท่านแค่ท่านดีอยู่อาศัยท่านคารถคาร่ามันก็ได้ ขันบ่มียังตแต่แรกอะอภัยเงาธาตผู้ใดน้อไม่ใส่ห้องเกียรตทห้องั่งอภัยมันจ้าจริก็เม็นธานุคือกันนั่นแ่ะรักษาชิ้นเท่ากับรักษาตามห้องข้อรักษากษาใดเยอะทุกคนบริษัมรันดอกผู้ใดรักษาชิ้นหาผู้ใดได้แค่ชิ้นที่เก่ า, าแต่ว่ารักษาให้ดีผู้ใดรักษาชิ้นหาได้แล้วอย่ารักษาชิ้นแฝดรักษาชิ้นสิบตืมเข้าไปอย่างนั้นแหละ พันผู้เจริญภาวนาเนะี่ยพันผู้ได้ยางจงกรมบัได้แต่้นั่งเอานั่งหลอกเหตุใจเจ้าของให้มันสงบสั้นๆ่ะพันผู้ใด้ยางจงกรมได้แต่ยางนั่มเหตุใจสงบไปนําอันผู้ได้ยางนั่งก็บบได้นั่งกไ็งกได้ข้าวเดียวหรือเถ่อนนอนเอานอนหลับกำหนดใจไว้ให้มันหูมื่อเจ้าของดูสิอันนั่นเรียก ว, ว่า เป็นการภาวนาเป็นการเฮ็ดให้ใจเดือด้องนี่มันบด่นบดินบน่ดินบ่ฮุ่นนะใจมันเปิดตีฮ่มตีเย็นเน่ะได้บุญหลายนะนะให้ท่านกะเฮ็ดรักษาสี่งจเฮ็ดจะเลื่อนภาวนากะเฮ็ดเนี่ยมลามันหน่อยแล้วมูเข้าเนี่ยอายุก็หลายทีปีแล้วเพราะว่าเลืออีกแค่น้อยเท่านั้นเองเลืออีกแค่น้อยเขาเฝ้ า, าเอาให้หมันเม็ดผันผูกเขาบอกเอาไปสร้างงัวเขาถอด มันหลายยุ่งละคุบว่าเอาหนึ่งโมบ้นโมงจัดมันบ่อสะอ่อนมันเท่าสะอ่อนแล้วหูจัดแล้วเฝ้าเอาเอาบอดีร์รับข้อนแบบนี้